คําเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงทลาไรแต่รมประโภติยานกำลังนำเสนอเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดประกาศยือตอนที่ว่าโดยสมาชิฏฐิคือปัญญาเน้นชอบในอริยสัจทั้งสี่แต่ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลของการปฏิบัติ ตามขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญาเป็นลักษณะของปัญญาที่ผุดขึ้นไปในจิตจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสให้จางคลายลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปในที่สุดเพราะในความสมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นพระอราหันต์ไปแต่ถือว่าทิฏฐิที่สมบูรณ์คือความเห็นที่สมบูรณ์เนี่ยท่านนับจากพระโสราบัน โซดาบันยังเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนแปลว่าผู้มีความเห็นสมบูรณ์วันก่อนได้ประลบถึงเรื่องทุกข์กริย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ห น, นึ่งคือในความหมายของคำวมาชาติที่แปลว่าความเกิดได้มีการนำไปอธิบายใ น, นแนวของความคิดเราเกิดรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโนนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเกิด คือถ้าจะเทียบเคียงเอาน่ะได้แต่ถ้าเอาในเนื้อหาสาระในบริษัทแล้วเนี่ยส่งหมายถึงความเกิดในกำเนิดต่างๆางจริงๆเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากการเกิดจึงเป็นผลมาจากกิเลส ก, กระปับและจะเน้นไปที่การเกิดในกำเนิดทั้งสี่ประการจึงได้ พู้เจ้ารงแสดงโดยสรุปออกไว้ตัาความเกิดการเกิดพร้อมคือมีอายตนะสมบูรณ์การยังลงคือเกิดในคันหรือว่าเกิดในไข่การเกิดคือเป็นสังเสทชักคือเกิดในสิ่งสกปรกละเกิดจำเพาะเป็นโอปาปาติกะกำเนิดดังกล่าว ความปรากฏขึ้นแห่งขันความได้ยตนาครบในมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัดนั่นนั้นอันใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชาติคือความเกิดเบื้องการเกิดมันเป็นจุดเริ่มต้นของสังสารวัฏคือหมายความว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วกระบวนการที่เกี่ยวกับชีวิตก็จะติดตามมาอีกเป็นอันเดกอันนั้นทั้งบุกทั้งลบ ในสายของทุกข์กระสับคือเป็นการพูดถึงสภาพของความจริงแห่งชีวิตเราก็ไปนเน้นในส่วนของทุกข์กระสับที่ยายคนพยายามมองเข้าใจถึงสาระของมันว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของใยรักคือลักษณะที่เหมือนกันเรือยเสมอกันในสัตว์และในสังขารต่งาง คือแนวแนวอริยสัจเนี่ยจะเรียกเป็นความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากจิตซึ่งมีกิเลสพอันแตเราไปเทียบเคียงกับความทุกข์ที่เราเรียกว่าทุกขตาในไตรลักษณ์เนี่ยกรอบมันจะต่างกันหรือกรอบในอริยสัจสี่จะเน้นไปเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีกิเลสมีตัณหาอยู่ แต่ว่าในความหมายของไยรัสนั้นจะหมายถึงทุกอย่างคือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็าตามก็เป็นลักษณะที่เหมือนกันโดยเน้นที่องค์ประกอบหลักสี่ประการประการแรกก็คือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนอะย่างสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหตุปัจจัยหลักที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมในส่วนรูปธรรมก็คือมารดาบิดาร่วมกัรมารดามีรดู แล้วก็พลังของนามธรรมซึ่งประกอบด้วยกิเลสกรรมวิบาเ ก, เ, ก, รรกววบาเนี่ยกิเลสกรรมก็ตัววิบากตัวนี้ก็เป็นวิญญาณนะก็ถือปฏิสนธิในกำเนิดนั้นนั้นยาวกลางละเอียดเป็นเรื่องของกรรมเราทำกรรมอะไรไว้ล่ะเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมตรงนั้นที่บางครั้งพระสง์แสดงโดยสรุปว่า กรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกไห้คนเลวและประณีแตกต่างกันแต่กษัตริ์โลกก็เป็นไปตามกรรมทีนี้จากจุดตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะแสดงขยายไปเป็นอเนกันกนะฮะจากจุดของเกิดเนี่ยคือตามปกติแล้วเนี่ยพวกเรามันเป็นสัมภเวสีคือพวกสแสวงหาพบอยู่กรอกของสัมภเวสีมันนับมาตั้งแต่พระนาคามีลงมานะ หมายความมาพูดพี่ยังต้องเกิดในภพอยู่แต่ว่าท่านเราดันท่านแน่นอนที่ท่านไม่ตกนรกแล้วก็โอกาสของการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ชัดเจนนะแล้วก็จะไม่ย้อนกลับซึ่งผิดกมมับสามัญชนทั่วไปสามัญชนมันก็ย้อนกลับได้เราให้ คำสอนในทางศาสนามันก็สอนในแนวหนึ่งก็คือเพื่อจะพัฒนาในการเกิดเนี่ยทายังไงให้มันเกิดไปนี่ขึ้นรเราเชืนว่าอย่างเกิดในคันเนี่ย <c oughs> มันก็มีทั้งดีและก็ทั้งไม่ดีแต่ถ้าจาจาเป็นจะต้องเกิดในคันอยู่จะทำยังไงจะเกิดในคันของมนุษย์ในสกุลสัมมาจิทธิ มีคุณทํามมีศีลธรรมมีจริยธรรมเป็นหลักใจเราจะเริญเติบโตมาในทรามกลางสกุลที่ตระเรียวกัติสมบัติคือสกุลที่เราเกิดมานั้นเป็นสกุลที่ดีสถานที่เกิดก็ดีแล้วก็อุปทิสมบัติคือรูปร่างกายสุขภาพบาลานามัยดีไม่เจ็บปอดแดดแดดไม่ป่วยข่ายอยู่ไปบ่อย แล้วการรสมบัติคือยุคสมัยนี่มันเอื้อต่อการสร้างสรรค์พัฒนายกระดับชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นแล้วก็ประโุชน์คะคือมีความโน้มเอียงมีความถนัดมีความสนใจที่จะประพฤติกระทในลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้านในชีวิตของตนแต่ตรงนี้ก็คนก็ได้โดยยากเพราะว่ามันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเทวดาตอนหนึ่ง การจะได้เกิดในสกุลที่ดีต้องถิ่นที่ดีครอบครัวที่ดีเนี่ยมันเป็นผลมาจากภูเพกตะปุญญตาคือบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเราอาจจะพูดเราเลือกเกิดไม่ได้อแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราเลือกได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมเลือกไว้เท่านั้นคนคนที่ชัดเจนที่ท่านเลือกพบชาติของท่านได้เนี่ย หรตั้งแต่ปัศวดาบันขึ้นไปนี่ทั้งเลือกได้แต่ในเลือกเกิดสูงก็ได้เกิดต่ำก็ได้ปัศวดาบันบางท่านเนี่ยก็มาเกิดเป็นยักษ์เช่นพระเจ้าพิมิสานเนี่ยมาเกิดเป็นชนะวสภะยักบริวารของทเทวสวุวรรณอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาตุมาราชคือชั้นต่ำสุดพระเจ้าเราสั่งถามมาทำไมไปเกิดที่นั่นทำไม ท่านบอกว่ามีคนคุ้นๆอยู่เยอะเพื่อนฝูงก็ต้องการให้กลับไปเกิดที่นั่นก็เลยต้องไปที่นั่นแต่บางท่านนี่เกิดถึงปริมิตตาวสวัสดีเลยบางท่านก็เกิดดิ ม, มาลดีก็แล้วแต่คือคื อ, คอพวกนี้คล้าเกษตรทีฮ่ค้าเกษตรทีแกนึกจะพักโรงแรมไหนก็ได้เงินแกแย่พอใจจะพักโรงแรมบังกะโลเล็กๆก็ได้แต่พักโรงแรมชั้นชั้นหนึง่ง หรือว่าสุดๆในโลกก็ได้นะตามอัตยาใสคเขาแต่พพชาติมันก็เหมือนโรงแรมคือว่าเราไปครอบครองไม่ได้ในสุดเราก็ต้องทิ้งไปแนวตัวเนี้ยจะสอนในรูปเรียกว่าตกแต่งพบชาติแต่มีความประณีตก็มีหลักการในการประพฤติปฏิบัติในขั้นต่างๆไว้เป็นต่าง ก็จะเน้นไปที่ประโยชน์หลักเนี่ยสองประการคือประโยชน์ในปัจจุบันกับประโยชน์ในภายภาคหน้าทีนี้ภายภาคหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมสูงมากพอเนี่ยคถ้ายๆคนมีเงินมากพอหรือมีความสามารถมากหลายๆด้านเนี่ยมันเลือกงานได้นะคนมีเงินมากเลือกกินเลือกอยู่เลือกไปเลือกเรื่องหลับนอนต่างๆได้แต่ถ้าเรามีน้อยแล้วเราจะถูกบีบ จํกจำกัดขอบเขตลงไปเรื่อยๆด้านั้นในกรณีของการเกิดในกำเนิดนะเอาเฉพาะในกำเนิดในคันเนี่ยมันก็เป็นการพูดถึงระดับล่างระดับมนุษย์เนี่ยเชริเกิดในตระกูลที่สูงและตระกูลนั้นแหละก็อยู่ในสีในธรรมเป็นรัมมาทิฐิเราเกิดมาในตระกูลตรงนั้น จะต้องอาศัยเราทำบุญร่วมกับเขามาด้วยแต่เราไม่เคยทำบุญร่วมกันมามันก็เกิดร่วมกันไม่ได้เพราะการที่คนเกิดเกิดร่วมกันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าพอๆกันอาดีพอๆกันชั่วพอๆกันหรือว่าดีไม่มากชั่วไม่มากพอๆกันดีมากชั่วมากพอๆกันมันก็เกิดในที่เดียวกัน กูจะส่งแสดงถึงคุณธรรมหลักที่ทาให้คุณเกิดร่วมกันไว้สี่ข้อแสดงแกท่านนกุลาบิดานกุลามันดาคือท่านทั้งสองนั้นต้องการที่จะไปเกิดร่วมกันเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยก็อยากจที่ครองคู่กันในภพชาติต่อไปก็ถามมาเปไปได้ไหมก็ทรงแสดงว่า คือคนดาวนี้ท่าศรัทธาสม่ำเสมอกันก็เรียกสิเด็กว่าศรัทธาสมาคือศรัทธาสม่ำเสมอกันมีศีลสมามีศีลสม่ำเสมอกันจากคัศมมาน้ําใจสละบริจาคเสมอกันแล้วก็ปัญญาสมามีปัญญาสม่ำเสมอกันก็สามารถจะไปเกิดร่วมกันได้จะเกี่ยวข้องผูกพันกันในฐานะอะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึง ตรนี้พื้นฐานของคุณธรรมนี่เท่ากันใกล้เคียงกันนะพื้นฐานกองปัญญาเท่าเคียงกันแล้วถ้าเขามาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นร่วมกันโดยปกติสุขเพราะว่ามนุษย์เราที่มีปัญหาเนี่ยมันไป ม, มีปัญหาที่ตัวความเห็นนะฮนะความเห็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากศรัทธาในสิ่งที่แตกต่างกันเกิดจากปัญญาคือความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นแหละไม่ทัดเทียมกัน มันก็ศรัทธาตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาเป็นเกณฑ์นในการกําหนดมาจุดนัดพบกันแล้วมาคุยกันในที่สุดก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีของประสบการณ์แตกต่างกันเนี่ยที่ท่านเล่าถึงปลากระต่ามาคุยกันเต่าเขาเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทิ น, ทนทบกไปได้ทั้งทั้งบกทั้งน้ําแต่ปลามันก็อยู่ได้ในน้ํา เพาในช่วงใดที่เต่าพูดถึงเรื่องในน้ําเนี่ยปราจะเข้าใจแต่พอช่วงใดที่เต่าพูดในเรื่องบนบกปราจะไม่เข้าใจปลาไม่มีวิสุทการเพราะคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าพื้นฐานทางศรัทธาไม่ทัดเทียมกันพื้นฐานทางปัญญาไม่ทัดเทียมกันเนี่ยมันก็กัดแย้แล้วบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ศรัทธาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังมีคนสองคนก็เฉียงกัน ไว้สัตว์น้ำก็สัตว์บกนี่อะไรมากกว่าคนหนึ่งบอกสัตว์บกมากกว่าคนหนึ่งบอกสัตว์น้ามากกว่าไอ้คนที่สัตว์น้ํามากกว่านี่ชักจะเถียงสู้ไม่ได้ก็อ้างภาษิตเนีะภาษิก็ดำน้ำมาเฉยๆบอกนั้นพระพุทธเจ้าอย่างบ้าเลยนะพระเจ้าจะยั ง, ยงรับสั่งวันนัตติเมสนังอันยังสัตว์น้ำมากกว่าสัสตว์บกตะโคนนหย่อนนาทีเลย บนในถือว่าสัตว์บรมากกว่านิยมนันทีเลยเออถ้าพระพุทธเจ้าว่าข้าก็ยอมแต่ถามอนัตติเมส น, งง า, นางอัญญาแปลว่ายัางไงแปลว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพรเจ้าไมา่นีดังนั้นก็คือความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแกไม่เคยเห็นบระพุทธธรรมรัน้น์่ะแต่เมื่อเพื่อนก็อ้างพระพุทธเจ้า ว, ว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บร ก, ก็ประทุลงเห็นหมาศรัทธาเสมอกันผู้ก็รู้เรื่องทีนี้ปัญญาเสมอกันเนี่ยมันจะไม่เถียงกัน นะเช่นเราพูดว่าน้ำตาลหวานเนี่ยไม่มีใครเทียงเราพูดว่าเกลือเค็มอย่างนี้ไม่มีใครเทียงเราพูดว่าน้ําแข็งเย็นเนี่ยไม่มีใครเทียงคิดไหมเพราะว่าประสบการณ์เท่าเทียมกันแต่ใครเกิดสนุกขึ้นมาผูดตัวแมวไฟนิดเย็นย อ, อยอะๆเลยกูชักจะยุ่งไงนะมันจะสื่อสารกันไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องศรัทธากับปัญญานนเราจึงเจอบ่อย เพรา ะ, ะไรเรโลกมันกว้างาใหญ่ไพศาลเราไม่สามารถจะหาประสบการณ์ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่เราต้องใช้ศรัทธาในช่วงหนึ่งเราก็มีประสบการณ์บางระดับมันก็ควรจะใช้ปัญญาแล้วก็กํากับด้วยศรัทธาในสุดมันจะหาข้อตกลงการบันทีประนอมกันได้ประการต่อไปนั้นก็คือ ศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันนำไปสู่การตังเกียรเดียดจันกันความประพฤติของคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนอย่างสำคัญที่ปลุกฝังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าสร้างความแตกแยกแต่คนประพฤติไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์ไม่มีระเบียบวินัยไม่อยู่ในศีลในธรรมและอยู่ร่วมคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาเกิดอาการในสุดมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ จะฆ่าคือน้ำใจเสียสละน้าใจแบ่งปันนะเป็นการเชื่อมโยงจิตใจของบุคคลไว้ด้วยกันก็มีความสงคัญว่าถ้าจากฆ่าคือน้ำใจเราเสียสละพอๆกันเนี่ยมันจะมีการผลปน ม, มีการประนีประนอมมีการอ่อนข้อให้กันก็ไม่ถึงก็ต้องทะเลาะวิวาท น, นี่ก็เป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกิดร่วมกัน ถึงจะเกิดสูงขึ้นมาเท่าไรเนี่ยเราอาจจะใช้ธรรมะแค่สี่ข้อนี่นะธรรมะสี่ข้อนี้แหละพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นเทวธรรมนะฮะสงะแสดงในรูปของเทวธรรมโดยเห็นว่าเป็นปั่นการพัฒนาปัญญาระดับรู้โลกขึ้นไปหรือเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือสุตตัเพิ่มขึ้นในข้อที่สามนะฮะเราลงว่าข้อที่สามมันเป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่มันเป็นข้อที่ห้า ก็กลายเป็นธรรมะหลักอีกชุดหนึ่งที่เป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดาทีนี้สมมติว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปให้เป็นพรหมไปสูงกว่านั้นก็เป็นพรหมซะก่อนโดยการจเจริญพรมหมไมหารแล้วก็ใจเราก็เป็นพรหมก่อนที่จะตายคือเป็นเจอก่อนตายอยากจะเป็นหลังตายไปแล้วก็เป็นเจ่ก่อนตาย เมื่อตายไปก็จะได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นอย่างที่บอกนี่ฮะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านที่วงควไปแล้วท่านบังเกิดเป็นชนะวัสพยาเพราะว่าท่านอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ท่านก็ไปเป็นนี่ก็แสดงว่าในแนวของการเกิดในขันเนี่ยตลเรเป็งโอปปาติกะเราจะเดินไปได้แน่เลยแต่มีข้อแม้ว่า ปริมาณบุญเนี่ยต้องสูงขึ้นถ้าบุญเราไม่มากพอเนี่ยเราจะเลือกไม่ได้ แ, แค่เงินเราไม่มากพอความรู้ไม่มากพอฝีมือไม่มากพอความสามารถไม่มากพอคุณไม่มีโอกาสเลือกแต่ถ้าเรามากเนี่ยเราจะมีโอกาสเลือกและยิงงานจะวิ่งมาหาเราเลยทำไปเพราะนันเป็นภารกิจของคนที่จะต้องสร้างกรรมซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองสร้างสารรค์ตัวเอง ให้เป็นที่ต้องการปรารถนาของสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ที่ในการการเกิดในในกับมิดอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่การเกิดในสิ่งสุขบกเนี่ยว่าจริงๆก็เป็นสัตว์ชั้น ต, นะต่ํานะครับต่างในตัวพวกมีบ้าและแต่างก็ว่าไปเรื่อยเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยมันเกิดในของสุขบกถ้าเกิดในไข่มันก็ไม่สูงหรอก พบผูไม่สูงเพราะมันจะสูงได้ที่เกิดในคันก็เกิดโดยประปาริกคันเนี่ยมันก็ไปหมดมนุษย์นะฮะแล้วก็ไปถึงปฏิวัามันก็เกิดโดยประปาริกแต่แม้บริจรกาเนิดหลักเนี่ยมันเกิดไปอยู่ที่เกิดในคันก็เกิดโดยประปาริกเกิดในไข่เนี่ย เ, เท่าที่พบก็ไม่ได้ไม่ได้สูงสูงอะไร ัอย่างปยาครุดยังเกิดจาไข่มันก็เป็นแค่ปยครุดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีในตำนานนะตัวตนมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็พึงเข้าใจเอาไว้ว่าความเกิดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็หมายความวาการเกิดอย่างนี้ทีนี้ถามมาชารามาชราก็คือชาราที่เราแก่กันนี่นะครับคือพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ สลับซับซ้อนนะฮะแสดงอะไรเนี่ยมันมีความชัดเจนเดี๋ยวที่คนมาทำให้ยุ่งเนี่ยพวกครูบาอาจารย์รุดหลังเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านอธิบายเสียเครียดเลยผู้จ้าได้รับสั่งเข้าใจทันทีเลยนะฮะเราอ่านเฉพาะประเรปิโกเราเข้าใจภาษาบาลีอยู่บ้างนะฮะแล้วก็อ่านที่เป็นภาษาบาลีพุทธวจนะเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยที่จริงรล้วผู้จา่าส่งอธิบายไปแล้วแต่อธิบายไว้ในที่อื่น เพราะว่าวิรสุงแสดงแต่ละคราวเนี่ยเป็นการแสดงโดยในยันหนึ่งในยันหนึ่งจะแนวเริยสัตว์เนี่ยจะแสดงอย่างนี้ทุกทีโดยเช็นว่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่โน้นที่เราสวดมนต์กันนีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายของจริงที่ทำให้ดูก่นเป็นภริยะคือทุกเป็นอย่างไรชาติพีดูขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกแม่ความแก่ก็เป็นทุกแม่ความตายก็เป็นทุก มนความสุขความร่ำรวยรําพันความทุกข์ความเสียใจยความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกษัตรย์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความร่าเราะจากกษัตร์และสังขารซึ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ตว์ปรารถนาสิ่งได้แล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็เป็นทุกข์แต่กล่าวโดยย่อเนี่ยกล่าวโดยยอ่อมันเกิดจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่น ในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจะยึดมั่นโดยยังไงก็ตามนะครับเราจเจื่อว่าอุปาทานเนี่ยนําไปสู่ผู้วผยแนผะ่จะลืมที่เราศึกษาในปฏิจจสมบัติตอนที่ว่าโดยปัจจัยการในปฏิจจสมบาทเนี่ยมันมีเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตนาตนาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดผู้ก็แสดงอุปาทานเนี่ยนําไปสู่การเกิดด้วย แล้วก็นําไปสู่ความทุกข์ในชีวิตประจำวันเขาด้วยอะไรก็ตามที่จิตเข้าไปยึดเอาไว้ด้วยคําว่าแม้แต่ของเราอย่างเดียวนะเอาอย่างเดียวของเราอย่างเดียวนี่ยุ่งจะแย่แล้วคนของเราสัตว์ของเราสิ่งของเราญาติของเราพี่น้องของเราอะไรของเราของเรานี่มาก ม, ม, ม, มากมากมาย ก, ก, กายกองเนี่ยพู้เจาทรงแสดงว่าคนทั้งหลายจะบ่นเพ้ออยู่ พ่อของเราแม่ของเราญาติของเราไม่ตรสายของเราทรัพย์สมบัติของเราหรือส่วนไหนาของเราเนี่ยมันเราก็จริงนะแต่ตัวเราเอางไม่เป็นของเราเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงนี่ก็เป็นการแสดงหลักที่เป็นสัจธรรมเพื่อคนมองว่าจริงๆในความทุกส่วนเนี่ยความทุกจรทั้งหลายเนี่ยแต่เกิดแก่ตายเนี่ยเราเราแก้เขาไม่ได้นะ พอเราเกิดมาแล้วเราแก้แก่แกเจ็บตายไม่ได้แต่พวกทุกข์จรทั้งหลายนี่ความโศกความรำไรรำพันถ้าเราลองสังเกตเนะียมันเกิดจากอุปาทานที่เฉยเรายึดมันเฉยเรายึดมันก็ทุกไม่ยึดมันก็ไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยนะฮะก็ไม่ยึดก็ไม่ทุกที่อาจารย์เก่าเตือนใจเอาไว้ในหนังสือการทำใช่ไหมซุกทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใส ใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจตามใจตัวเราดูซิว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์กันแน่เราถ้าหากว่าเราปล่อยอุปทานครอบํำใจบงการจิตใจเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยในสุขความทุกข์มันก็แยกออกไปจากเราไม่ได้เราก็ต้องหมุนวนอยู่ในกระแสของความทุกข์อย่างนี้ นี่ก็เป็นการแสดงแบบเขาเรียกนิปรายคือแสดงอย่างนี้ทุกคราวนะฮะถือถ้าถ้าแสดงตามโครงสร้างอารยสัตเราจะแสดงอย่างนี้ทุกคราวแล้วแม้เราจะกระจายความทุกข์ออกไปยังไงก็ตามก็อยู่ในแวดวงของอุปาทานนะนะเพราะว่าตัวทุกข์นั้นเป็นอาการของอุปาทานเราสังเกตนะะเช่นๆสมมติว่าคนถูกยิงตายแล้วก็มีคนมาบอกว่าญาติของเราทุกยิงตายเราจะเกิดทุกข์ ร้องโง่ร้องไห้เสียอกเสียใจไม่ได้สติสมบูรณ์เลยแต่พอดีมีคนมาบอกใหม่บอกว่าเข้าใจผิดนะเป็นลูกคนอื่นหน้ามันคล้ายกันหายเราหายทันทีเลยเห็นไหมที่เราทุกครั้งแรกเนี่ยเพราเราหยึดว่าลูกเราตายแต่เราหัวรอกครั้งต่อมาเนี่ยเพราเราดีใจว่าลูกเราไม่ได้ตายแล้วก็แสดงว่าตัปัญห า, านเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่จะเป็นตัวปัญหาอุปสรรคอีกเป็นต้นมากต้องฟังตั้ ง, งหลาย